ยิ่งทำผ้าอิสานเดิมทีกุฏิสองสำหลังเทนะ่ะกุฏิก็ปลูกเหมือนบ้านมุงสังกษีถ้าไม่มีจีวรตากถ้เห็นเราคิดว่านี่เป็นบ้านแต่พอเห็นจีวรเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นวัดแต่กุติสองสำหลังเท่านั้นเองนี่ก็อยู่ที่ท้องถิ่นประชาชนยากจนเมื่อประชาชนยากจนขึ้นมาจะบำรุงวัดมาอารามให้มั่นคงแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ แต่ถ้าประชาชนมีเงินแล้วก็จะสังเกตได้ว่าวัดเนี่ยติด ก, กันไปหมดเช่นทางทั้งหลายจะสังเกตว่าทางอายุทยาอ่างทองเนี่ยวัดติดต่อกันทั้งเชียงใหม่ น, นครศรีธรรมราชหรือทางราชบุรีนคปรปฐมนี่จะดูสิวัดเป็นหลักเป็นฐานอย่างตลอดลำแม่น้ำแม่กลองอย่างเงี้ยวัดใหญ่ๆทั้งนั้นจากราชบุรีนั่งไปถึงแม่กลองถึงบ้านแหลมแม่กลอง จะพบแต่วัดที่มั่นคงทั้งสิน้นเนี่ยเพราะว่าในรุ่มแม่น้านั้นประชาชนเนี่ยมีเศรษฐกิจดีมีการทรมาหากินดีมีสตางก็โอ้มีโอกาสไปทำบุญจุนเจือาศาสนาทำให้วัดวาอารามเนี่ยมั่นคงขึ้นเนี่ยเราก็ได้สมบัติเหล่านี้มากมายถ้าคิดเป็นเงินแล้วท่านทั้งหลายที่เอาเงินมาให้แกศาสนาเนี่ยไม่ทราบว่าจานวนกี่พันล้าน ที่อยู่ในประเทศไทยเวลานี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์เพราะพระพุทธองค์เท่านั้นเราจึงได้บูชาท่านทุ่มเทสมบัติต่างๆเหล่านี้เพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์เป็นผู้ควรแก่ปักใจอย่างนี้เราจึงเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างนี้ และผู้ที่เสียสลาไปแล้วก็ได้รับผลอย่างมากมายเราจึงเสียสลากกันเนี่ยเป็นความหมายของคาว่าผู้ควรแก่ปัจจัยประการที่สี่เพราะไม่มีที่รับในการประกอบกรรมชั่วธรรมดาบุคคลที่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอริยเจ้ายังเป็นผูุ้ชนอยู่นั้นความชั่วนั้นเรากระทำกันอยู่แต่ไม่เปิดเผยก็มี หรือบางทีเราประกอบกรรมอันทุจริตต่างๆไม่เปิดเผยบางทีต่อหน้าเราไม่ประพฤติ ท, ทุจริตแต่รับหลังประพฤติ ท, ทุจริตเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทุจริตเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะฉะนั้นเราจึงได้ขนานนามพระพุทธองค์ว่าเป็นอารหังคือเป็นผู้ไม่มีที่ลับในการประกอบกรรมชั่ว นี่เป็นความหมายของคําว่าอรหังเพราะฉะนั้นที่เรากระเสิร์นว่าอิติปิโสพควาอะรหังนั่นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจความหมายว่ามีความหมายอย่างนี้จึงได้รับนามว่าอรหังหรือได้รับนามาอะรหันอะรหังกับอะรหัน์นั้นความหมายอันเดียวกันเพราะฉะนั้นบางที่บางแห่งเราจรึงใช้คําว่าอะรหันตะ สัมมาสัมพุทธเจา้าใช้คำว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งเราก็ได้ให้เกียรติต่อพระพุทธองค์มากถึงใช้คำว่าอรหาันต์สัมมาสัมพุทธเจา้าหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าเราไม่ใช้คำว่าพระโพดมหรือไม่ใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเฉยๆ เพราคำว่าพระโคโดมหรือโคตมะเนี่ยเป็นชื่อเป็นชื่อที่พวกพราหมณ์ผู้อาวุโสนี้เรียกพระพุทธองค์ด้วยความดูหมิน่นดูแคลนจึงใช้คําว่าสมณโคดมใช้คำว่าสมณโคโด ม, ค ม, โคโดมหรือใช้คํำว่าโคตมะคือเรียกชื่อหรือเรียกถึงโคดเลยว่าโคตมะดังนั้นชื่ออันนี้ยเป็นชื่อที่พราหมณ์อาวุโสในสมัยนั้นร้องเรียกกัน เราอย่าใช้อย่าเอามาใช้เป็นชื่อพระพุทธรูปเลยเพราะว่าเป็นพระนามที่ขาดความคารวะต่อพระพุทธองค์ไม่ได้ร้องเรียกพระพุทธองค์ด้วยความคารวะใช้คําว่าโคตมะหรือใช้คําว่าโคดมอันนี้เป็นชื่อเป็นโคดของพระพุทธเจ้าที่พราหมร้องเรียกกันเช่นไงสมณะโคดมสบายดีหรืออย่างเนี้ยเหมือนกับเราจะเรียกใครก็าตามเราเรียกชื่อเช่นอย่างบางคนเขามีชื่อ ทุกคนมีชื่อทั้งนั้นแต่ถ้าเรายกย่องกันแล้วเราจะไม่เรียกชื่อคนคนนั้นเช่นว่าเรามีเพื่อนเนี่ยเล่นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราเรียกไอ้แดงแต่อยู่ต่อมาไอ้แดงเกิดเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยเราจะไปเรียกรัฐมนตรีเอ้ยไอ้แดงไปไหนอย่างนี้มันก็ขาดการคารวะกันเราควรจะใช้คำว่าท่านรัฐมนตรีไปไหนต้องยกย่องตามตำแหน่งหน้าที่การงานจะไปเรียกไอ้แดงอีกไม่ได้แล้ว เพราะว่าการรองเรียกชื่อของบุคคลเนี่ยเป็นการขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกันฉะนั้นการรองเรียกชื่อพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราจะใช้คำว่าสมณะโคดมหรือพระโคดมอย่างนี้เป็นการขาดความคาระวะถ้าพุทธศาสนาสนิกระชนไ้แล้วไม่ไม่ใช้ไม่ควรใช้คำนี้อย่างยิ่งควรจะใช้คำว่าสมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า หรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้คำว่าพระพุทธเจ้าเฉยๆหรือพุทธเจ้าเฉยๆเนี่ยก็ยังไม่ควรใช้ควรจะใช้ให้เต็มว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยกย่องพระนามของพระพุทธองค์ด้วยแต่เราใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเราก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธองค์จะเหมาะกว่าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใช้ให้เต็ม นี่เป็นการยกย่องสันเสริญพระพุทธองค์โดยคุณที่มีปรากฏอยู่นี่ความหมายของคำว่าอารหังจะนี้ความหมายของคำว่าสัมมาสัมพุทโธคำว่าสัมมาสัมพุทโธนี้แปลว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคำว่าตรัสรู้เองโดยชอบนี้ถ้าถามว่าตรัสรู้อะไร คิดว่าเด็กชั้นประถมก็ตอบได้คือตรัสรู้อริยสัจสี่อันนี้เราไม่ต้องอธิบายก็ได้ว่าตรัสรู้อะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายก็คงจะทราบแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสรู้อริยสัจสี่จึงได้นามาสัมมาสัมพุทธโธถ้าโดยความหมายก็หมายถึงว่าได้ตรัสรู้พระธรรมทำใดที่ควรรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้ธรรมนั้น ทำใดที่ควรรู้ยิ่งแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ทำนั้นหรือว่าสิ่งทั้งหลายที่ควรให้มีก็ได้มีให้แล้วสิ่งทั้งหลายที่ควรละก็ละได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นจึงได้รับนามะสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุทโธเช่นอย่างครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสกับพรามพรามเนี่ยถามว่าทาไม สมณะโคโดมจึงปฏิญาณตนว่าเป็นพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะหรือพุโทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้แล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พรามว่ารู้ก่อนพรามสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเราก็รู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรให้มีเราก็ให้มีแล้วสิ่งที่ควรละ เราก็ละแล้วก็เหตุนั้นแหละจึงชื่อว่าพุท ธ, ธคือจึงปฏิญามตัวเป็นพุท ธ, ธเพราะว่าได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วได้ละในสิ่งที่ควรละแล้วได้มีในสิ่งที่ควรให้มีให้เป็นแล้วจึงได้นามว่าพุท ธ, ธะฉะนั้นความหมายของน่อสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้า หรือคำว่าสัมมาสัมพุโทโธนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจสี่ด้วยพระ อ, องค์เองโดยชอบแล้วตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุโทโธเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปล่งวาจาสวดสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทใดบทหนึ่งก็ขอให้เราได้เข้าใจความหมายของ พระพุทธคุณธรรมคุณแปลและบทที่เราได้ตรวจสรวจเสริมกันถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจแล้วความทราบซึ้งในในการปฏิบัติเนี่ยก็มีน้อยถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นพอบริกรรมว่าอรหังเนี่ยเราก็นึกนึกถึงพุทธคุณอันเนี่ยได้กว้างขวางพอเราบริกรรมว่าสัมมาสัมพุทธโธก็ได้นึกถึงพุทธคุณเนี่ยกว้างขวางออกไปอีกว่าหมายความว่ายอย่างไร การเข้าใจความหมายนี้แหละเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ศรัทธาในการปฏิบัตินี้มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในความหมายของพุทธคุณแต่ละข้อแล้วศรัทธาที่จะมั่นคงต่อการปฏิบัตินั้นก็คลอนแคลนมีน้อยฉะนั้นเราจะปฏิบัติพุทธคุณบทใดบทหนึ่งก็ต้องเข้าใจความหมายอันนี้ไว้เนยวันนี้ธมา ขอเสนอแน่ว่าถ้าเราจะเินพุทธคุณข้อแรกก็ให้เข้าใจความหมายถึงคําว่าอะระหังถ้าจเจริญข้อที่สองก็คือคําว่าสัมมาสัมพุโทโธเมื่อเราจะปฏิบัติในข้อใขอดข้อหนึ่งในสองข้อนี้เราก็หาสถานที่ที่เงียบสงัดหรือถ้าไม่มีสถานที่ใดัเงียบสงัดห้องบูชาพระที่บ้านก็ใช้ได้เวลาเราบูชาพระเสร็จแล้วก็นั่งทาสมาธิ วิธีปฏิบัติไม่ยากนะพอตอนเช้าก็ดีหรือว่าตอนค่าก่อนนอนก็ดีเมื่อเราจุดธูปบูชาพระแล้วเราก็นั่งต่อหน้าที่บูชาพระนั่นแหละนั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ตั้งกายให้ตรงดรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วเราก็เอาจิตเนี่ยไว้กลางกายบริกรรมว่าอิตติปิโสพัควาอรหังก็ได้ หรือจะใช้คำว่าสัมมาสัมพุโทโธสัมมาสัมพุโทโธก็ได้ระหว่างที่บริกรรมนี้ก็อย่าส่งจิตสงใจไปในทางอื่นๆพยายามสํารวมจิตนี้ให้เป็นสมาธิเวลาจิตที่ขุนมัวขึ้นมาก็จะเกิดความห่องใสความทุกข์ความเศร้าหมองเนี่ยก็จะอันตรธานหายไปหมดเพียงแค่เราปฏิบัติอย่างนี้ใจเราก็จะสบายขึ้นเป็นสุขขึ้น เนี่ยเป็นวิธีที่เราจะแสวงหาความสุขหรือว่าเสริมสร้างความสุขให้แก่ชีวิตนั้นก็ทําไม่ยากใช่วิธีปฏิบัติอย่างนี้เราก็ทําได้ให้ท่านทั้งหลายดพยายามทําที่บ้านหรือในสถานที่ใดๆก็ตามแม้แต่นั่งรถแล้วก็นั่งบริกรรมของเราได้เนี่ยบริกรรมเนี่ยอิติปิโสสังขวารหังหรือสัมมาสัมพุโทโธสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยเราก็บริกรรมได้จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปนอก หรือจะนั่งทำงานมีเวลาเราก็นั่งบริกรรมเราก็ด้จะไปไหนมาไหนเราก็บริกรรมได้อย่างเต็มที่เนี่เป็นวิธีเจริญอนุสติที่เป็นพุทธานุสติพุทธานุสติเนี่ยมีวิธีปฏิบัติอยู่9อยู่เก้าวิธีและในเก้าวิธีนี้ก็คือพระพุทธคุณแต่ละวิธีนั่นเองทีนี้พระพุทธคุณแต่ละวิธีนี้การปฏิบัติ โดยการเริ่มต้นหรือวิธีการปฏิบัตินั้นน่ะเหมือนกันไม่แตกต่างกันแตกต่างกันแต่ตรงที่อารมณ์เราจะไปบริกรรมว่าเมื่อเราจะปฏิบัติอนุสติข้อนี้เราควรจะบริกรรมอย่างไรเนี่ยอยู่ที่อารมณ์ที่นั้นถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติอย่างไดอย่างหนึ่งก็ต้องยึดมั่นในหลักการปฏิบัติอันนั้นอย่าไปเอาหลายๆอย่างเอายางใดอย่างหนึ่งก็พอแล้ว แล้วก็บริกรรมอย่างจริงจังก็จะได้ผลมากยังมีคนถามหลวงพ่อวัดตักน้ําว่าเอ๊ะทาไมหลวงพ่อท่านเลี้ยงพระของท่านได้นะตั้งหลายหลายร้อยรูปเนี่ยทั้งปีตลอดปีแต่บอกเลี้ยงได้เพราะอารหังสัมมาอรหังตัวเดียวแค่เนี้ยาถาแค่นี้นสัมมาอรหังเดียะเลี้ยงพระเด็ทั้งวัดบางองค์ท่านไปทํางานใหญ่โตเนี่ยอย่างหลวงพ่อลีท่านก็น บริการพุโทโธตัวนีอ่ะท่านทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างท่านไม่ต้อใช้ไดมากเลยใช้เพียงแค่นี้สั้นๆเท่านะั้นแต่ถ้าให้เราใช้จริงๆก็เป็นประโยชน์ดังนั้นเวลาทำทั้งหลายจะทําอะไรก็ทําให้จริงๆแล้วก็ใช้ไม่มากหรอกใช้เพียงแค่นี้เท่านั้นนะ่ะทําประโยชน์ได้มากมายจะไปนิพพานก็แค่เนี้อ่ะมึงคนท่องบาลีจบพระไตรปิฎกซะอีกทําอะไรไม่ได้ เอาแค่ตัวสองตัวเท่านั้นไม่ต้องมากแต่ว่าให้ทาให้เกิดผลจริงๆให้เป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาก็สามารถจะสาเร็จประโยชน์ได้ฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจปฏิบัติก็ขอให้ทดลองปฏิบัติ ด, ดูเริ่มต้นโดยวิธีการอย่างนี้ถ้านนิมิตอันใดเกิดก็ต้องเป็นนิมิตให้อยู่ในกาย ถ้าเราจะเห็นพระพุทธรูปก็ขอให้อยู่กลางกายเราน้อมนำมาสู่กลางกายให้ได้ถ้าเห็นข้างนอกต้องน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาสู่กลางกายแล้วก็บริกรรมมาไว้อยู่เสมออย่าให้ศูญหายสมาธิจิตก็จะดีขึ้นตามลาดับนี่เป็นวิธีการเริ่มต้นนะถ้าท่านสนใจจะปฏิบัติในแบบนี้ก็ทดลองใช้ดูอยู่ที่บ้านทั่วๆไปเนี่ยก็ปฏิบัติได้ทุกท่าน สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็ทดลองปฏิบัติตอนนี้เป็นหลักปฏิบัติในประเภทพุทธานุสติเวลานี้สมณเณรที่วิทยาลัยก็ใช้วิธีปฏิบัติคือเจริญพุทธานุสตินี้สมาให้เจริญพุทธานุสติขอ้อนี้ทำกันอยู่เสมอทุกวันเช้าทําวัวดเช้าเสร็จแล้วก็นั่งทาสมาธิตอนเที่ยง ฉันตาหารแล้วเดินจงกรมแล้วไปทําสมาธิก็บริกรรมอย่างนี้ตอนเย็นทําวัดเย็นเสร็จก็นั่งสมาธิบริกรรมอย่างนี้ที่วิทยาลัยปฏิบัติกรรมฐ า, านประจําคู่กันทุกวันน่ยต้องทําอย่างนี้อย่างน้อยเชา้าค่ําจะต้องทําต้องปฏิบัติอยู่ฉะนั้นท่านสาธุชนที่อยู่ทางบ้านก็ควรจะได้ฝึกจิตบ้างแม้ก่อนนอนเราก็ทําได้ถ้านั่งไม่ได้ นอนทำก็ได้นอนบริกรรมก็ได้เหมือนกันคือได้อารี่าบทไดอรียาบทหนึ่งถ้านอนก็ต้องนอนเฉยเฉยแล้วก็บริกรรมพระโยชบางคนนั่งไม่ได้ก็นอนทีนี้ถ้านอนนี้หลับง่ายกว่านั่งตอนนอนถ้าหลับก็หลับไปเลยไปรู้สึกตัวทีก็ตอนสว่างก็ดีสมาว่าช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นถ้าใครนอนไม่ไปหลับก็นอนบริกรรมอย่างนี้แล้วจะหลับง่าย ไม่คิดฟุ้งร้านเลยนี่เป็นวิธีปฏิบัติอนุสติแบบง่ายๆที่สาธุชนทั้งหลายควรใช้ในทางบ้านจะ เ, เป็นการแสวงหาความสงบทางจิตใจได้วิธีหนึ่งยังเหลืออีกเจ็ดข้อเพราะว่าพระพุทธคุณมันมีอยู่เก้าบทวันนี้อาจรมาเห็นถ้าจะอธิบายได้เพียงแค่สองบทคือบทอรหังกับสัมมาสัมพุทโธวันอาทิตย์ต่อไปก็จะบรรยายต่อ ในบทลาวนี้วันนี้เห็นถ่าจะต้องขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้ขอบอบใจท่านสาวผู้ชนทั้งหลายการบรรยายคำพีที่สุดที่มากในวันนี้จะได้บรรยายต่อจากเมื่ออาทิตย์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องการเจริญพุทธานสุสติ ื่อาทิตที่แล้วอตาตรมาได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธคุณบทที่หนึ่งกับบทที่สองที่เราจะใช้มาเป็นอารมณ์ของการบริกรรมเพื่อให้เกิดสมาธิจิตคือคำว่าอิติปิโสภะวาอารหังและคำว่าสัมมาสัมพุทโธดังนัจะได้อธิบายถึงพระพุทธคุณบทที่สามกับบทที่สี่ คือคําว่าวิชาจารณะสมปันโนกับคําว่าสุขโตเพราะว่าการที่เราจะเอาพระพุทธคุณบทใ ด, ดบทหนึ่งมาเป็นอารมณ์ของการปฏิบัตินั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ความหมายของพระพุทธคุณบทนั้ น, น, นว่ามีความหมายอย่างไรโดยปฏิบติแล้ว พุทธาสนาสมุทประเดเรามากจะบกพร่องในข้อนี้คือบกพร่องในข้อความเข้าใจบางครั้งเราก็สาทยายนที่เราสวดกันอยู่โดยที่เราไม่รู้เลยว่ามนที่สวดนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรหรือบางครั้งเราฟังพระสวดมนเราก็ไม่ทราบว่าบทที่พระท่านสวดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเช่นอย่างในกรณีที่เราไปฟังพระท่านสวดอภิธรรมหน้าศพ ไปวางพระท่านเจริญพระพุทธมนต์ก่อนฉันเพนก็ดีหรือพระพุทธมนตรเย็นก็ดีเราไม่ทราบเลยว่าพุทธมนตรเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรถ้าหากว่าเราจะเข้าใจความหมายของพุทธมนตรแต่ละบทด้วยแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อการสดับตรับย์ฟังอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลแก่สาธุชนอย่างมากทีเดียวฉะนั้นการที่เราได้กล่าว สนงเสริญพระพุทธคุณอยู่ทุกๆวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทราบความหมายของพระพุทธคุณแต่ระบทที่เราสวดกันอยู่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่ากุศลจะเกิดขึ้นภายในจิตนั้นน้อยไปเพราะสิ่งใดก็ตามถ้าเราเข้าใจความหมายเสียก่อนที่เราจะปฏิบัติสิ่งนั้นเราจะปฏิบัติได้ดีกว่าที่เราจะไม่เข้าใจคือทำไปโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ความหมายว่าทากันไปทาไม ฉะนั้นการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จึงมีความจําเป็นอยู่อย่างน้อยก็ยังเพิ่มพูนปีติสวมนัสให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้อษาทยายได้เขาว่าวิชาสามกับวิชาแปดอันเป็นส่วนของวิชากับเจรณะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันให้เข้าใจเพราะว่าเราควรกระสรินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและเจรณะที่ว่าถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและเจรณะนั้นอย่างไรคาว่าวิ ช, ชานี้ถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความรู้เจรณะนั้นบางท่านก็แปลว่าความสามารถแต่ในที่นี้หมายถึงความประพฤติแสดงให้เห็นว่า สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและเจรณะนั้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ดีเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความสามารถดีหรือความประพฤติดีทั้งสองอย่างสมบูรณ์ในตัวคนเดานั้นบางทีก็บกกพรองในคุณธรรมเหล่านี้บางท่านมีความรู้ดีแต่ความประพฤติไม่ดี หรือความสามารถไม่ดีบางท่านมีความประพฤติดีความสามารถดีแต่ความรู้ไม่ดีคือไม่สมบูรณ์ทั้งสองอย่างแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมบูรณ์ทั้งสองอย่างคือสมบูรณ์ทั้งความรู้และสมบูรณ์ทั้งความสามารถแต่ความประพฤติเพราะฉะนั้นเราจึงสวดสรรเสริญว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจระิะ แต่วิชาซึ่งเป็นส่วนของความรู้นี้ก็ไม่ใช่เป็นความรู้สามัญที่ผู้รู้ทั้งหลายมีอยู่ในโลกเป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ในเรื่องสามัญธรรมดา ท, ทั่วไปของชาวโลกที่อย่างคำว่าวิชาซึ่งแปลว่าความรู้ในที่นี้หมายถึงวิชาสามหรือวิชาแปดเจรณะคือความประพฤติหรือความสามารถนั้น ท่านหมายถึงจรณะถึงส5้าอย่างมีความหมายถึงส5้าอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาถึงวิชาสามหรือแปดนี้ให้เข้าใจว่าความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่นั้นได้เหนือความรู้ของบุคคลในโลกนี้อย่างไรบ้างสำหรับในเรื่องของวิชาสามนั้นก็มีตุเพนิวาสามุส ต, ติยานจุตูปปาตยานอาสวัคขยายาน อุเนิวาสามสุจียานนั้นหมายถึงยานที่ระลึก ถ, ถึงชาติในอดีตจุโตูปปาตยานนั้นหมายถึงยานที่ยังรู้ถึงการจุติปฏิสนธิของสัตว์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมอาสวัขยายานนั้นหมายถึงยานที่ยังรู้ถึงความสึ้นไปแห่งอาสวะธรรมที่มีอยู่ภายในจิตยานทั้งสามนี้หรือวิชาทั้งสามนี้ ก็ผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้บริบูรณ์แล้วเราศึกษาดูก่อนที่พระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้านั้นได้บรรลุถึงญาณทั้งสามนี้มาตามลําดับในคืนวันเพ็ญวิสาขาบูชาได้บรรลุเริ่มตั้งแต่ปุเพนิวาส า, านิตยญาณมาแล้วจึงถึงจุตูปปาติญาณ แล้วจึงรรลุถึงซึ่งอาสวะคคียานพร้อมกันนั้นก็รุ่งอรุณพอดีได้ปราบรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสยานทั้งสามนี้เพียงแค่บุพเพนิวาสานุสติยานคื อ, อยานที่ระลึกถึงชาติในอดีตได้นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะค้นหาบุคคลใดในโลกนี้มีความรู้เทียมเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ความรู้ในศาสตร์ต่างๆนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเพราะพระพุทธองค์ได้ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆจบมาแล้วที่สำนักตากกศิลาตากกศิลานี้ปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศปากีสถานแล้วก็ยังเหลือเป็นโบราณวัตถุให้เราได้ศึกษาค้นคว้ากันอยู่ซึ่งเป็นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาศิลปะวิทย า, า, าณมหาวิทยาลัยตกกศิลาแห่งนี้ ได้จบศาสตร์ต่างๆทั้ง18ประการโดยบริบูรณ์แต่วิชาสามประการนี้เกิดขึ้นเมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเลึกถึงชาติในอดีตได้นั้นเลิอกอย่างไรชาติในอดีตนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบ ก, กับบุคคลที่มีความรู้ในปัจจุบันนี้ดีก็คือผู้ที่ศึกษาในเรื่องของประวัติศาสต์ผู้ที่รู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์โดยละเอียดละออทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ในด้านของสังคมในด้านของเศรษฐกิจหรือรัฐการเมืองหรือวัฒนธรรมก็ตามหรือศาสนาก็ตามความรอบรู้ในประวัติศาสตร์ของผู้รู้ในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นสิ่งเกื้อกูลต่อบุคคลผู้รู้ประวัติศาสตร์นี้อย่างดีเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ดีย่อมเป็นผู้ที่วางแผนงานในอนาคตได้ดี เพราะว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องศึกษาถึงความเป็นมาในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นั้นจะเป็นบทเรียนอย่างดีสำหรับการที่จะวางงานต่อไปในอนาคตเราจึงต้องศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กันแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังจำเป็นต่อผู้ที่จะวางงานต่อไปในอนาคตหรือรับผิดชอบต่ออนาคตของตนหรือของส่วนรวมจะเป็นประเทศชาติหรือาศาสนาก็ตาม ต้องค้นคว้าในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยโดยละเอียดละออล้วสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่รู้แต่เฉพาะประวัติศาสตร์ที่ผ่านพ้นมาในปัจจุบันหรือในโลกมนุษย์นี้ท่านแต่ได้ระลึกถึงอดีตชาติที่ไกลแสนไกลห่าง้นมาแล้วเป็นล้านปีก็สามารถระลึกถึงชาติในอดีตได้กล่าวได้ว่าชาดกทั้งหลายที่มีอยู่ห้าร้อยห้าสิบเรื่อง หรือที่เราเรียกกันว่าพระเจ้าห้าร้อยชาติห้าร้อยห้าสิบชาตินั้นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ระลึกถึงชาติในอดีตและก็หยิบยกเอาเรื่องในอดีตนั้นมาเล่าให้สาวกฟังมาเล่าให้พระสงฆ์ได้ฟังแล้วเราก็ได้ศึกษากันมาถึงปัจจุบันนี้เรื่องของชาดกในพระพุทธศาสนา น, นั้นถ้าเราศึกษากันดีๆแล้วนั่นแหละคือเรื่องของประวัติศาสตร์ เราจะรู้เรื่องราวในอดีตความเป็นมาในอดีตความเจริญความเสื่อมในทุกๆด้านที่ผ่านพ้นมาเป็นอย่างดีต้องรู้จากชาดกศึกษาในชาดกแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงชาดกก็ด้วยอำนาจของสุพเพในวานสารุสติยานคือยานที่ระลึกชาติได้นี่เองจึงประมวลเอาตั้งแต่อดีตชาตินี้มาเทศนาสั่งสอน เนียอันนี้เป็นตุกเพนิวาสานุสติยานปัจจุบันนี้เรายังหาคนที่ระลึกชาติไม่ได้มีแต่คนจําชาติได้แต่คนระลึกชาตินั้นเรายังหาไม่พบคนจําชาติได้นั้นหมายถึงคนจําชาติในอดีตของตนเองได้ว่าอดีตชาตินั้นตนเองเคยเกิดเป็นอะไรเคยเกิดเป็นใครอยู่ที่ไหนมีใครเกี่ยวข้องเป็นญาติมิตรเป็นมารดาบิดาเหล่านี้ เราเรียกว่าคนจำชาติได้มีปรากฏบ่อยๆในประเทศไทยเราว่าคนนั้นคนนี้ระลึกชาติได้ความจริงแล้วไม่ใช่ระลึกชาติคนจะระลึกชาติได้ต้องได้สุขเพนิวาสานุสติยานยานอันนี้เป็นอภิน ญ, ญาจิตจะเกิดได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญฌานฝุกผลทั้งรูปฌ า, านและรูปฌ า, านมาก่อนจึงจะสามารถสำเร็จอภิญญาจิตคือสุขเพนิวาสานุสติยานนี้ได้ ถ้าหากว่าไม่ได้เคยฝึกสนจิตในเรื่องของรูปฌานหรืรูปประชานมาก่อนยานชนิดนี้หรืออภิญญาชนิดนี้จะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นไม่ได้เเราจึงเรียกว่าเป็นคนจําชาติได้แต่ว่าการจําชาติได้นี้ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะจํากันได้หมดทุกทุกคนเพราะว่าคนที่เกิดมานี้ก็ดีหรือแม้แต่เทศที่เกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งก็ดี สัญญาคือความจำในอดีตนั้นไม่เท่าเทียมกันอย่างเราจำชาติไม่ได้เหมือนกันว่าชาติก่อนเนี่ยเราเคยเกิดที่ไหนเป็นลูกต้าวเหล่าใครเราก็ไม่ทราบเราทราบได้แต่ว่าชาตินี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เรารู้แต่เรื่องในปัจจุบันเท่านั้นแต่ว่าเรื่องในอดีตเนี่ยเราไม่รู้กเราะว่าสัญญาที่จะติดต่อกันมถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีแต่บางท่านระ ล, ลึกได้ว่าชาติก่อนเคยเกิดเป็นใคร เป็นลูกใครอยู่ที่ไหนทำมาหากินอะไรบ้างสามารถจำชาติได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าการจุติและปฏิสนธิคือการตายการเกิดนั้นได้ติดต่อกันในปัจจุบันชาตินี้เองเช่นถ้าหากว่าในปัจจุบันนี้เราเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดตายลงเมื่อตายแล้วก็เกิดทันทีเป็นมนุษย์อีกในชาติที่สองเราก็จาได้ เพราะระยะเวลาตลอดจนความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นยังพอที่จะทำให้เราเนี่ยฟื้นความหลังได้คือสามารถนึกได้ทีเดียวว่าชาติก่อนเราเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยมาฟังธรรมะที่วัดมหาธาตุนี้เคยฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เราสามารถจาได้ถ้าเราตายในชาตินี้แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีกโดยไม่ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ไปเกิดเป็นอบายศัตด์ หรือเกิดเป็นโสมเสียก่อนแล้วจึงจะหวนมาเป็นมนุษย์ถ้าเกิดในภูมิเดียวกันติดต่อกันเนี่ยจําได้แต่ถ้าเราตายแล้วไปเกิดในภูมิอื่นบางทีก็จําได้บางทีก็จําจไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบางภูมิมีทุกข์มากก็ทําให้ลืมอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เราจะมีความทุกข์อย่างหนักก็ตอนที่เราถือกําเนิดในคันของมารดาระหว่างที่วิ ญ, ญญาณอยู่ในคันของมารดาตลอดสิบเดือนนี้มีความทุกข์อย่างมาก เราจึงลืมทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตหมดด้วยอำนาจของทุกเวทนาที่เข้าครอบงาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วเราจึงไม่สามารถจำชาติในอดีตได้เนี่ยในปัจจุบันนี้เราจึงหาผู้ที่จะรู้อดีตดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไกลแสนไกลเช่นนั้นก็ไม่ได้